เมื่อวันที่10กันยายนพศ2510ณวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปนโนรับพระพุทธศาสนาตีพรพุฏิเจ้าชมประกาศไว เป็นทางเดินของชีวิตทางทางลุกและทางธรรมโดยถูกต้องไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้อยู่ในโลกหรือผู้อยู่ในธรรมะจริงๆเช่นนักบวช ้าต่างได้ปฏิบัติตนเองตามหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วโลกจะเป็นไปพวกความร่มเย็ธรรมะก็จะเป็นจะเินรุ่งเรืองผู้อยู่ในโลกก็เป็นสุข ผู้อยู่ในธรรมะคือนักบวชที่ อ, อยู่ในวัดปฏิบัติตนโดยถูกต้องเราจะมีความสงบเย็ยนใจทนั้นหลักศาสนาก็คือหลักปกครองด้วยดีปกครองทั้งตนปกครองทั้งผู้อื่น ปกครองได้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งอัดแย้งต่อหน้าที่การงานของลกขอแต่ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามเพศของตน เอกที่เป็นนักบวชก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของนักบวชที่ท่านสอนไว้เพื่อนักบวชอย่างไรบ้างถูกเป็นฆราวาดทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่และไวของตนจะอำนวยขนาดไหนในเรื่องความสามารถ โลกจะ ม, มีไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิเกิดขึ้นเพราะหลักธรรมะทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สอนโลกให้เกิดความวุ่นวายเสียหายแต่อย่างใดแม่จะวุ่นก็วุ่นเพื่อหน้าที่การงานอันเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่ใช่วุ่นแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาดังที่เป็นกันดี โดยลำดับมาแต่พ อ, อย่างยิ่งท่านที่เป็นนักบวชโปร ด, ดได้สำนึกตัวอยู่เสมอว่าความเป็นอยู่ของเราทุกด้านอาศัยพระรัตนตรยัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นเครื่องชุบชีวิต ของเราไว้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหากว่าได้ขาดคุณของพระพุเทธเจ้าก็ทำพระสงฆ์นี้ไปเสียเท่านั้นชีวิตจิตใจของเราทุกส่วนไม่ว่าส่วนร่างกายและความเป็นดีภายในจะเป็นไปไม่ตลอดสิ่งที่มาเยียวยารักษาให้มีความเป็นดีด้วยความสะดวกสบายคือปัจจัยทั้งสี่ ได้แก่อีวรคือเครื่องนุ่งห่มทุกประเภทบินธําบากอาหารทุกประเภทที่ไม่ผิดจากหลักพระธรรมนี้หนเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยทุกแห่งทุกหนและทุกสิ่ง กนลานเภสัตยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บขึ่งอาจจะเกิดมีขึ้นในส่วนร่างกายของเราแต่ละลายละลายและแต่ละการสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุธเทธเจ้าจะธรรมประสงค์ทั้งนั้นเมื่อเราได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัย ทั้งสามนี้แล้วและมีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายทางส่วนร่างกายจิตใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะการขาดเขินสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าชีวิตจิตใจของเราดี เป็นอยู่ด้วยพระรัตนตรัยแล้วอย่าลืมตนสิ่งของที่จะเกิดขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วมากน้อยอย่าลืมตนอย่าฟุ่มเฟอเม้อเหื่อเขิมอย่าฟุ่มเฟือยอย่าหดหู่เวลาสิ่งที่ตนต้องการ ขาดตกบกพร่องหรือหาไม่ได้ตามใจหวังเรื่องของนักบวชต้องเป็นเรื่องที่ต่างจากคารวาสไม่เชยนนั้นไม่ทราบว่าท่านผู้เสาะแสวงหาบุญนั้นจะหาจากท่านผู้ใดท่านนักบวชไม่เป็นผู้สม่ำเสมอภายในจิตใจและความประพฤติ ให้ดีงามตามหลักของกระถางมีหนยเรืหลักศาสนาทุกบททุกบาทไม่ได้สอนเราให้เป็นคนชิงเฟอเหอือเขิมลืมตนไมไ่สอนให้หดหุ่นกับสิ่งทั้งหลายที่ได้มาและเสียไปและสิ่งทั้งหลายที่มีมากมีน้อยสอนม่ให้ลืมตัวทั้งนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องเยียวยาลึวสิ่งที่มาเกี่ยวข้อง เราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นนักพิจารณาอยู่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องวินิจฉัยตนกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้ผู้ไม่ลืมตนง่ายหนจะมีมากมีน้อยก็ไม่ลืมตนกดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่ลืมตนไม่ว่าสิ่งใดจะขาดตกบกพร่อง ไม่ลืมลืมตนไปอย่างง่ายง่ายแต่ถ้าขาดความสำนึกตัววา่าในอาศัยคุณของพระรัชนาตรายัยหรือเป็นตายของเราได้มอบกับพระศาสนาแล้วจะเป็นผู้ลืมตนได้อย่างง่ายได้การใช้การสอยทุกอย่าง ในเครื่องบริหารที่เห็นควรแกะวควรแกสร่สมรรถบริโภคก็จะฟุ่มเฟือยสิ่งใดที่ชำรุดชุดโฉมลงไปไม่มีความอะไรและเสียดายที่จะดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมเสียใหม่เพื่อเป็นของใช้ได้อีกต่อไปเมื่อสิ่งนั้นควรจะใช้ได้อยู่เวลาเราซ่อมแซม หรือดัดแปลงยอได้แล้วแต่จะเป็นผู้ทอดทิ้นไปเสียโดยลำดับเห็นว่าไม่เป็นของจำเป็นนี่คือคนลืมตนลักษณะเจ น, นีไม่ใช่ลักษณะของผู้ถือหลักธรรมะของพระโพธจักแต่เป็นผู้ถือผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกผู้ที่ถือตามหลักธรรม มะของรพระพุทธเจ้าจริงๆจะเป็นนักประหยัดไม่ลืมตนแต่เป็นนักเสียสละด้วยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเห็นใจของท่านเห็นใจของดอกนักบวชต้องเป็นผู้มีใจเมตตากล้าเสียสละในสิ่งที่มี ซึ่งควรจะเสียสละได้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นนับเป็นนักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยเห่อเหิมไปตามสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้ น, นจะมากหรือน้อยก็าตามาหลักของนักบวชต้องประพฤติตนอย่างนี้เสมอ สิ่งที่อาศัยอยู่ทุกทุกอย่างและทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เยียวยาเพื่อให้ความสุขแก่ส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นเป็นขึ้นจากหลักธรรมะของเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปอันหนึ่งต่างหากหากผู้ใดมีความประมาทเหยียดคร้านผู้นั้นก็ไม่รับผลประโยชน์ไดดับ ถ้าเราเราได้อยู่ในศาสนาแต่ไม่สามารถจะนำหลักธรรมจากพระศาสนาไปตัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงอวส า, านแห่งชีวิตลดล่วงตายทิ้งเปล่า ไม่มีอะไรเป็นชี้ดีโดยลําพังในตัวของเราเองโปรดทราบไว้ที่ตันความฉล า, าดขนาดเราเราท่านท่านมีถ้าไม่อาศัยหลักธรรมะมาช่วยชักจูงมิแก้ไขได้จับเป็นไปไม่รดมีเกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะ คือสิ่งที่หมักดองอยู่ภายในใจแม้จะพูดออกไปเกี่ยวกับสิ่งภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้คำานึ่งถึงหลักทำหลักพินัยแล้วจะพิผิดพับพลาดไม่มีสิ่งใดดีและจะเป็นประโยชโดยส้อมบุญเช่นความเกลียดคร้านหนีเป็นเพื่อนขัดแย้งต่อหลักธรรม ความประพฤติจความอ่อนแอความเอาตามประพฤตตามใจชอบไม่คำนึงถึงเหตุผลดีชั่วชอบประพฤตตามนิสัยของตอนที่เคยมาโดยไม่คำนึงถึงว่า น, นิสัยนั้น ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม่ที่จะให้เป็นไปเพื่อความเจริญตั้งแต่ต้นจนสุดขีดสุดแดนของความเจริญขี่กล่าวมาทั้งนี้ล้นวนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักศาสนาและขัดแย้งต่อเราผู้ต้องการความเจริญด้วย ถ้าเราต้องการความเจริญต้องพยายามกำจัดตัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักธรรมะนิสัยเป็นยังไงที่เคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมส่วนไหนที่จะควรนำไปใช้ต่อไปส่วนไหนที่ควรจะพยายามแก้ไขให้หมดไปส่วนไหนที่จะคพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้น ไขนใสของตนนั้นให้รีบตวรวจปาและพิจารณาดูโดยถี่ั้วแล้วแก้ไขดัดแปลงกันและส่งเสริมกันให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อเราได้พยายามทำดังที่กล่าวมานันจะเป็นผู้สามารถปกครองตนได้ ไม่ว่าจะอยู่กับครูกับอาจารย์หรือแยกจากครูอาจารย์ไปแล้วและอยู่โดยลำพั ง, งตัวเองหรือจะไปสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วๆไปยอมเกิดผลประโยชน์ตามแต่ความสามารถของเราจะมีมากน้อยความความเสียหายนั้นเป็นอันว่าเราเป็นผู้ ปกครองเราได้ด้วยหลักธรรมเพราะความเคยกินและมั่นคงต่อการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีหลักธรรมเป็นขอบเขตหรือเป็นหลักที่ตั้งแห่งความประพฤติของเราการบำเพ็ญถ้าไม่มีการฝืนมั่งรับความ ยากลาบากบ้างไม่จัดว่าเป็นเรื่องทํางานหรือเป็นการบำเพ็ญอยูเฉยๆจะให้กิเลสหลุดลอยออกไปแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จะสอนโลกโลกไม่จําเป็นจะต้องไปอาศัยทำธรรมะม า, มาเป็นเครื่องช่วยแก้ไขไม่องผิ้อยูมีเราก็ทราบต้นอยู่แล้วแต่ต้นมูอว่าเป็นผู้ไม่สามารถจะดําเนินไป ไปได้โดยลําพังจึงต้องอาศัยหลักธรรมะนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยคืออาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอน อ, อีกอันดับสุดท้ายก็คือรวมลงที่ตัวของเราจะเป็นคนประเภทใดประเภทเอาจริงเอาจังหรือไม่จดจ่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือจดจ่อต่อเรื่องอายในวันหนึ่งคือหนึ่งที่ผ่านไปผ่าน ทั้งๆ ท, ที่เป็นนังบวชตีในบัดนี้มีเป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยตนเองโดยละเอียดถี่่วนไม่เช่นนั้นหาทางออกไม่น่าถ้าเราไม่สามารถจะปกครองตนเราได้ด้วยหลักธรรมะซึ่งเคยปกครองโลกมาเป็นา น, านานแล้วและได้ผลเต็มที่เราไม่มีทางที่จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งใด เราชอบสิ่งใดให้พิจารณาในสิ่งที่ชอบว่าการชอบนี้เป็นไปเพื่อธรรมะหรือเป็นไปเพื่อการขัดแย้งกับหลักธรรมะการเกลียดกนดีการรักการชั ง, งนุ้ต้องพิจารณาทั้งนั้นสิ่งที่รัก นั่นเป็นค่าสึกหรือเป็นคุณสิ่งที่เกลียดนั่นเป็นค่าสึกหรือเป็นคุณแก่เราสิ่งที่ทำให้โกรดนั่นก็ดีและความโกรก็ดีเมื่อแสดงออกหรือไปสัมผัสกันกับสิ่งที่จะให้โกรธเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตั ว, ตวของเรา เราต้องพิจารณาเนี่ยนักปฏิบัติต้องเป็นนักวินิจฉัยอยู่เสมอทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับทราบกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งสิ่งที่จะแสดงออกในอันดับต่อเมื่อได้รับการสัมผัสกันแล้วเป็นไปโดยหลักโดยทมหรือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งต่อตอนเองต้องนํามาวินิจฉัยเสมอ เมื่อวินิจัยได้ความชาัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติและพยายามตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อเราได้พยายามตั้งข้อสังเกตวินิจัยตัวเองอยู่เสมออย่างนีน้ไปที่ไหนจะเป็นไปในทํานองนี้เรื่อยๆ สิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะมาจากทางหูตาจมูกลิ้นกายแม้จะเกิดขึ้นจากใจเสเองก็พอจะรู้เท่าทันกันและมีทางหลบหลีบเปลี่ตัวได้ด้วยอุบายวิธีที่เราเคยนามาใช้ให้ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำจนแหลกเลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปหางไม่ทั้งหมด ทั้งที่เป็นมาแล้วด้วยความลืมต้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นเทวดาองค์ใดองค์ที่ผิดจาก ม, มนุษย์เราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละปฏิบัติธรรมก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะนำพระศาสนามาสอนโลกเบื้องต้นก็คือมนุษย์คนหนึ่ง ไม่มีอะไรแปลกจากมนุษย์ทั่วไปในส่วนธาตุขันธ์นอกจากวาสนาบารมีจะยิ่งยันกว่ากันตามกำลังแห่งการบาเพ็ญที่เด้ยเคยบาเพ็ญมามากน้อยเท่านั้นแต่ว่าบารมีทั้งหมดก็ต้องออกจากหลักของการบาเพ็ญที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุเช่นเดียวกันเมื่อเทียบถึงพระพุเทธเจ้ากับเราแล้วพระพุเทธเจ้าก็คือพ่อของเ เราก็คือลู ก, กคือสากะยะบุตรลูกกับพ่อก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นสัตว์ลูกก็เป็นสัตว์พ่อแม่เป็นคนลูกลูกก็เป็นคนพ่อของเราที่ท่านให้นามเราว่าสากะยะบุตรก็คือคนเราที่เป็นสากะยะบุตรของท่านก็คือคน ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระสากะยะบุตรคือรูปศิ์พระสถาคตนั่นและประกาศศาสนาธรรมลงไว้กอเผือบริษัททั้งสี่ลังที่เคยทราบกันแล้วคำว่าพิขุจะหมายถึงใครถ้ามหมายถึงเราและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นบบัดนี้ ไม่มีไม่มีใครจะเป็นพิฆูุนอกจากนักบวชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนไว้ผู้ที่ดาเนินตามหลักธรรมวินัยของพระธรรมใจพระจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นผู้ดำเนินหากพระที่เป็นศาสยะบุตารวของพระพุทธเจา้าไม่มีความสามารถแล้ว ใครจะมีความสามารถใครจะสนองพระทัยของพระโพธิจักรที่ทรงพระเมตตาอย่างยิ่งจากพวกเราในหลักธรรมที่สําคัญที่ท่านกล่าวไว้ว่าฉันทะวิริยะจิตตะยิ่งมังสาท่านมอบไว้สําหรับใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสรุปเพราะฉันทะวิริยะจิตตะยิ่มังสาเป็นหลักใหญ่เพื่อสนับสนุนหรือเครื่องแก้ก็อยู่ในนั้นเสียมิมังสาเรื่องของปัญญา นั่นคือเรื่องแก่ท่านในตรัสรู้เป็นถึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทำเหล่านี้เราจะเอาธรรมประเภทใดมาเพื่อความรู้แจ้งที่จริ ง, รงตามหลักความจริงที่ท่านประกาศสอนไว้ตามหลักของเรา ที่เป็นหลักนิสัยซึ่งเคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นใช้งานใช้การอะไรไม่ได้นอกจากจะมาสังหารตัวของเราเท่านั้นควรพิจารณาให้มากลุกสิทธิปัหาคตอยาเป็นคนท้อแท้อ่อนแอมักง่ายทำอะไรฝุนขันจับจดไม่จริงไม่จัง ไม่เรียบร้อยทําอะไรต้องเรียบร้อยทุกอย่างทําด้วยความจงใจทําด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ว่ากินชิ้นเล็กชิ้นใหญ่งานส่วนไหนไม่ว่าภายนอกภายในลงได้ทําแล้วก็ต้องมุ่งผลประโยชน์เป็นที่ตัง้งเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องทําให้เห็นประโยชน์ตามฐานะของงานที่เราจะควรได้รับประโยชน์ จากงานนั้นแค่ไหนเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งคือคืองานเพื่อดำเนินตนให้พ้นจากสิ่งที่กดขี่บังคับภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานีน้่เป็นงานชั้นชิ้นเอกผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นนักลบชั้นเอกว่าจะทำองใดลงไปโดยเห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมของวิญญารแล้วอย่าให้มี สองเข้ามาแฝงต้องมีหนึ่งเสมอคือหนึ่งต้องทำหนึ่งต้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่หยอดต้องหนึ่งเข้าไปเสมอพยายามฝึกหัดพินิตพิจารณาดังที่ว่ามาเนี่ย หลักธรรมที่ประเสริฐถูกปกปิดกำบังไว้ด้วยความขี้เกียจ ด, ด้วยความโง่เขลาบาวันดาด้วยความท้อแท้อ่อนแอด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มองดูลักธรรมหินก็เลยเถิดนอนก็เลยเถิด้ายสอยสิ่งใดเป็นไปด้วยความฟุ้งเฟอ้อเหิเป็นเรื่องเลยเถิดทท้านั้นนี่แหละ เป็นเครื่องปกปิดกำบังทำอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษซึ่งมีอยู่ภายในใจจึงแสดงตนออกมาให้คนเห็นไม่ได้และไม่สามารถที่จะยกออกแสดงให้คนอื่นเป็นของอัศจรรย์เห็นเป็นของอัศจรรย์ตามด้วยได้เพราะในตัวของเรานี่เป็นตัวของบุคคลที่หมดคุณค่า ความเพียรกม็มีคุณค่าสำหรับตัวของเราเห็นว่าไม่จำเป็นประโยคพยายามทุกด้านเห็นว่าไม่จำเป็นกลายเป็นของไม่มีคุณค่าไปจะหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทั้งคนพระทั้งองค์ก็กลายเป็นพระที่ไร้คุณค่าไร้ความหมายแต่ตัวเองสิ่งที่มีคุณค่าจะปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อประโยคแห่งความเพียรของเรา เป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและคุณค่าไปเสียหมดโดยตัวเองไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นและสำคัญผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีทางออกถ้าไม่ออกทางเหตุแล้วจะออกมาทางอื่นไม่ได้เพราะหลักธรรมของพระเจ้าแสดงเหตุเป็นประตูที่เปิดขึ้นเพื่อผลให้แสดงตัวออกมาเหตุเราได้มนเป็นแค่ไหนหรือเหตุเพื่อปกปิดกบาบังเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ที่เรา ทงผมดูเวลาเราต้องคำนึงเสมอเรื่องมาผลนิพพานเราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดไปหมายพระพุเทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นผู้ตรัสธรรมานี้ไม่ใช่คนโง่และไม่ใช่เป็นคนโกหกโลกเป็นคนจริงจริงทั้งความรู้ความฉลาดจริงทั้งความบริสุทธิ์จริงทั้งหลักธรรมะที่นำออกมาสแสดง จะมีอะไรเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ในหลักธรรมะที่เรียกว่าสุมัคาธรรมของพระเจ้าแม้แต่น้อยไม่มีไม่ปรากฏเราจะไปสงสัยอะไรในเรื่องมรรคผลมิตรานสงสัยตัวของเราที่กำลังนอนจมอยู่ในมูดในคู่คือความขีเกียจขี้คลานขี้เล็ดตันหาอยู่ทุกวั น, นเป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องสนใจกับตัวเองในเวลานี้พยายามแก้หรือรื้อถอนตนออกจากมูดคู่เหล่านีด้ด้วยความเพียรอันเด่น เราไม่ต้องถามถึงเรื่องมรรคผลมิพานนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งแต่ธรรมชาติที่เป็นหลักความจริงซึ่งจมมิดอยู่ใต้ขีเด่นตันหานี้มันมีอยู่กับดวงใจดวงเดียวแต่ไม่มีอำนาจที่จะแสดงตัวออกมาได้เนื่องจากตัวของเราเองไม่เปิดประตูเมื่อครอบปฏิบัติเป็นเครื่องกำจัดสริงที่ปกปิดกำบังนั่น ให้สลายตัวไปเพื่อธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจะได้ปรากฏตัวออกมาเด่นชัดประจักษ์ใจกับเจ้าของเองเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอากาลิโกจะหมายถึงอะไรถ้ามหมายถึงสิ่งที่มีอยู่จะปกถูกปกปิดอยู่ก็าตามจะเปิดเผยแลว้วก็ตามเรียกว่าสันที่ิโกได้เท่านั้นมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปกปิดก็มีอยู่แต่ถูกปกปิดสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ทั้งเปิดเผยด้วย อย่างคนที่มีกิเลสอย่างนี้ก็มีแต่กิเลสนัะออกเนื้อออกตัวหรือเปิดเนื้อเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะแม้จะมีอยู่ด้วยกันก็แสดงตัวออกมาไม่นานถูกปกปิดแต่ก็เรียกอาการลิกูมีอยู่ประจําไม่เลือกการเลือกสมัยนหมกัน เราจะทำวิธีใดสิ่งที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราประสงค์อย่างยิ่งและมีอยู่ในฉากเดียวกันกับกิบเลสัญหาาาัสมะซึ่งเป็นเครื่องปกปิดนี้จะแสดงตัวออกมาโดยลาดับับจนถึงกับเปิดเผย อ, อย่างเต็มที่เด่นดวงด้วยวิธีใดที่เราจะต้อง วิธีที่เราทำมาแล้วเป็นมาแล้วและฝังใจอยู่แล้วนั้นคือวิธีอะไรเกิดผลอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับหลักธรรมะเราต้องพิสูจน์เสมอส่วนไหนได้ผลน้อยส่วนไหนไม่ได้ผลเลยส่วนไหนกลายเป็นเรื่องย่ำยีในอากัปกิริยาที่แสดงออกของใจและความประพฤตทุกด้าน ซึ่งเกิดขึ้นจากเราเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นค่าศึกและเป็นคุณมากน้อยเราต้องวินิจฉัยให้รู้คำว่าสัจธรรมจะหมายถึงเรื่องอะไรและคำว่ามรรคนลมิพานจะหมายถึงอะไร คำว่าทุกอะไรที่เป็นทุกแสดงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้นอกจากกายกับใจแล้วไม่มีอะไรแสดงตัวเป็นทุกนี่ก็มีอยู่กับกายกับใจของเราทสมุทัยความลืมตัวอยู่ตลอดเวลาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมชีวิตจิตใจหรือเมื่อลืมตัวลืมคุณงามความดีอะไรพาให้ลืมอย่างนั้น ถ้าไม่ใช่สมุทยัยความลืมตัวลืมตายไม่เลยคํหนึ่งนี่แหละท่านเรียกสมุทยัยมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่ใจน่ะการพยายามแก้ไขปบเปื้องสิ่งที่ร้ายเหล่านี้ออกด้วยวิธีต่างๆท่านเรียกว่ามากักก็หมายถึงปัญญาการกระทำ ทำเพียรทุกๆประยุกเป็นเรื่องของมรรคทางนั้นก็ได้จากจุดเดียวกันนิโลธะทำมรรคทาหน้าที่ของตนเป็นลำดับลาดับไม่ ข, ขาดวักขาดตอนแนวจะต้องแสดงความดับทุกขึ้นมาเป็นชั้นๆและเป็นไปโดยลำดับลาดับจนถึงดับทุกได้โดยเด็ดขาด ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยวิยาที่ดับทุกนั้นทันเรียกว่านิโรธเราจะไปหาที่ไหนเวลานี้สิ่งที่เสริมให้ทุกทุกเกิดคืออะไรก็คือสมุทยัยมีอยู่ที่ไหนทุกที่แสดงตัวมาจากเรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผลิตนั้นแสดงตัวอยู่ที่ไหนเวลานี้ถ้าไม่ไม่อยู่ที่ใจของเรานี่อยู่ที่ไห น, นหวิยาที่พยายามดับทุกด้วยการค้นสาเหตุของสมุทยัย ให้รู้ตามหลักความจริงของเขานั่นคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวนี้เมื่อทุกได้ถูกแก้ไขด้วยมรรคหมุ ท, ทยได้ถูกรื้อถอนขึ้นด้วยมรรคเป็นลําดับับความดับทุกไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงจุดจุดท้ายแห่งการดับทุกโดยไม่มีอะไรเหลือจะอยู่ที่ไหนนี่สัจะทําทั้งสี่เมื่อกล่าวแล้วจะถูกทั้งแต่กายกับใจของเราเท่านั้นไม่ไปถูกที่ไหน ต่างคนต่างมีแล้วเราจะไปสงสัยมรรคผลนิพพานที่ไหนนับทุกไม่เหลือแล้วก็เป็นมรรคผลนิพพานเท่านั้นจะเป็นอย่างไรแล้วเริ่มไปตั้งแต่เราดับทุกได้เป็นลําดับลำดับก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นไปเป็นชั้นๆั้น mm. ผลสุดยอดก็คือความพ้นจากทุก mm. เราจะไปหาที่ไหนและมีอยู่กับการกับสถานที่ไใดบ้งเย่ราเวน า, าเคยมีมา ก, กี่กับกี่กันแล้วเคยเห็น ผู้หนึ่งผู้ใดไปขุดค้นหามาผลนิพพานได้กบับเวลาเวลาหรือสถานที่นั้นๆโดยอยู่ใต้ดินหรือเหนือดินหรืออยู่ในน้าบนบกที่ไหนมั่งไม่ปรากฏนอกจากจะได้อยู่ในกายกับจิตเทา่านี้แม้พระพุทธเจ้าตรัสสลู่กับตรัสสลู่ขึ้นที่กายกับจิตพระหลงกับหลงกันที่นี่ทุกสมุทัยมีอยู่ที่นี่อย่างท่้อมมูลเมื่อได้ทําหน้าที่ให้รู้เรื่องของทุกของสมุทัยอย่างท่้อมมูลด้วยปัญญาเนี่ยนิโรธก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่คำสิ้นจากทุกทั้งหลาย หรือดับทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเหลือถ้าเราจะหามาผลยุภานที่ไหนจที่อี่ที่เราไม่ได้มีความสุขความสบายอย่างภาคภูมิใจหรืออย่างเต็มที่ของเราก็เนื่องจากสาเหตุที่จะทําให้เกิดความทุกข์ท่านมันมีอยู่ภายในใจยังไม่สิ้นไปมีจํานวนเท่าไรก็ต้องแสดงทุกออกมาท่านั้นสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทยัยมีมากเท่าไรเวลานี้ ก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าธรรมชาตินี้ได้ดับไปหมดด้วยอำนาจของนักรู้รอบตัวแล้วเราจะไปหามรรคผนิพพานที่ไหนคําว่านิพพานนั้นเป็นชื่อนิพพานเป็นแปลว่าธรรมชาติดับแล้วเวลานี้มันไม่ดับอะไรไม่ดับก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ดับทอดสมุทัยไม่ดับเมื่อสมุทัยดับไปแล้วภายในใจทุกภายในใจก็ไม่มีอะไรเหลือ นั้นเราจะเรียกว่าอะไรอีกทีจะเรียกว่านิพานหรือไม่นิพานไม่เป็นปัญหาสําหรับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นอย่างถึงใจแล้วเช่นเดียวกับบุคคลผู้ที่รับทานอย่างอิม่มหนาสำําราญเต็มที่เลยบโอชารสของอาหารที่เกิดขึ้นจากการรับทานโดยลําดับตํานานนั้นก็จะ ม, มีปัญหาอะไรสําหรับผู้รับทานอาหารประเภทนั้นๆจนกระทั่งถึงได้มีความอิม่มหนาสำําราญอย่างสมบูรณ์แล้วความอิ่มประเภทนั้น ข้อหนักผู้รับทานก็เป็นปัญหาอะไรไม่จําเป็นจะต้องไปหามาจากที่ไหน<ะ>เรื่องความสุขอันสมบูรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะไปหาที่ไหนใต้น้ําบนบกที่ไหนไม่มีเพราะสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไห น, นแต่สัจธรรมมีอยู่ที่พายกับใจของเราสำห ร, รมมับเราพูดผิดจะพิจารณาให้นี้แต่สิ่งเล่านั้นถ้าเราจะนํามาให้เป็นสัจธรรมก็เป็นได้ไม่มีอะไรขัดข้อง ศาสตร์ธรรมมีอยู่ทั่วโลกทั้งทางแต่เราจะพูดเรื่องนอกๆ อ, ออกไปนู้นมันห่างเกินไปเราให้เห็นไปจากกับตัวของเราเองว่าอะไรขาดตกบกพร่องมั่งเวลานี้ภายในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับสัจ์ธรรมทั้งสี่มีอยู่นี่อย่างสมบูรณ์แต่เราจะพยายามแก้ไขส่วนใดดัดแปลงส่วนใดส่งเสริมส่วนใดเท่านั้นเป็นเรื่องอุบายปัญญาของเราจะพยายามในของที่มีอยู่นี้ ควาดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี้ขอให้เรื่องของมัชคือหน้าที่การงานของเราทางภายในได้ทําอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมีกำลังมังคาอย่างเต็มความสามารถฉลาดรอบคอบในสิ่งที่เป็นขาสิกต่อใจทั้งตนแล้วจะรื้อถอน้องมาหมดสิ่งได้ที่เป็นสมุทรไทยจะไม่มีเหลืออยู่ภายในใจเลยเรื่องของทุกข์ก็จะดับไปอย่างสนิท ผู้ที่รู้ว่าทุกดับแล้วอย่างสนิทนั้นผู้นั้นแหละจะเรียกว่านิพานก็เรียกได้หรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรหิวโหวยไม่มีอะไรบกพร่องในความสุขที่มีสมบูรณ์อยู่ตามหลักธรรมชาติของกรมแล้วนั้นและไม่มีอะไรจะบกพร่องต่อไปอีกและไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้แล้วอยู่ที่ไหน ถ้ามาอยู่ที่ใจใจประเภทนี้เรียกว่าใจที่พอตัวไม่ต้องหาอะไรมาเสริมให้เป็นสุขอีกแล้วไม่จําเป็นจะต้องหาอะไรมากดขี่แล้วมาส่งเสริมนี่คือจิตที่พอตัวไม่ต้องอพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรทั้งนั้นจิตนี้คือจิตของพระเจ้าชั้นวิสุที่บุคคล เราสามารถทําได้อย่างนั้นเราก็เป็นจิตประเภทนั้นเราก็ไม่ต้องเป็นพึ่งพิงกับอะไรอีกเวลานี้จิตของเราเสาะแสดงหาที่พึ่งอยู่ตลอดวันยังค่ำคืนยังลุ่มและทุกขณะ ด, ด้วยแต่อื้องไปที่ไหนก็ถูกแต่ยาพิษเผาโดนจนเดือดร้อนบุญวายจิตมันอยู่เฉยเมื่อไหรเสาะแสดงหาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาที่พึ่งแต่เกาะอะไรมันก็มีแต่ไฟ ไฟราคาไฟโทระไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาเอื่อมไปทางรูปก็เผาเอื่อมไปทางเสียงก็เผาเอื่อมไปทางสิ่นรดเครื่องสัมผัสมีแต่เรื่องเผาผลาญทั้งนั้นเพราะหาสิ่งที่ช่วยพยุงแต่กลับเป็นสิ่งที่กดขี่บังคับเผาล้นให้เดืดอดร้อนนี่คือหาไม่ถูกทางแล้วเราจะเจอความสุขที่ไหนทางคนก็ต่างวิ่งเต้นขนขวายพยายาม สร้างการทำกันขึ้นเต็มโลกเต็มแผ่นดินไปหมดเหมือนกระดกเห็ดเราเห็นไหมใครมาประกาศตนว่าได้รับความสุขเพราะการทําเช่นนั้นซึ่งผิดทางมันเป็นความสุขโดยแท้จริงมีแต่บ่นกันวันยังทำคืนยังรุ่มฆ่ากันตายพินาททิพายเพราะการก่อเพื่อความสุขผิดทางนี้ทั้งนั้นเราเห็นกันอยู่ได้ยินกันอยู่ น, นี่คือสิ่งที่พึ่งพิง หาเพิ่งทิงสิ่งนั้นพิ่งพิ้งสิ่งนี้นสิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความไม่สมหวังเท่า น, นั้นผลสุดท้ายก็ร้อนบ่นกันทั่วโลกคนจนก็บน่นคนมีก็บ่นคนฉลาดก็บ่นคนโง่ก็บน่นถ้ามีห้าปากก็จะบ่นถึงห้าปากต่มีเพียงปากเดียวจำเป็น เ, เราสงสัยอะไรอลหละนี่ อะไรจะทำให้เราเป็นสุขนอกจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แล้วนี้เท่านั้นเป็นหลักที่แน่ใจที่สุดทำเราเราผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงท่านที่ว่าไม่ต้องการสิ่งใดมาส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะธรรมชาตินี้เข้าถึงความสมบูรณ์พอตัวแล้วนีเท่านั้น การฝืนใจเพื่อธรรมะเราอย่าเห็นว่าเป็นค่าสึกต่อเราความยากลำบากต่อความเพียรอย่าเห็นว่าเป็นค่าสึกถ้าต้องการพ้นจากค่าสึกจริงๆต้องบุกเข้าไปตรงนั้นฝืนเข้าไปตรงนั้นความทุกเพราะการประกอบความเพียร น, นั่นหลยจะเป็นสาเหตุที่จะให้ความสุข เกิดขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วขอให้ท่านนักปฏิบัตินำไปฏิดนิพนะ่ะสิ่งที่สอนก็เห็นอยู่รู้อยู่กับเราทุกท่านไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยนอกจากว่าจะพิจารณาลงไปมากน้อยเท่านั้น เป็นปัญหาขึ้นอยู่กับตัวเองมอบให้ทุกท่านไปนำาปพิีิพิจนาระดับกันงตัวเองทำมาทำให้จริงอย่าลกแหละใจอย่าให้บกแหวกคอนแงนดยปราศจากหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจะเป็นใจไม่มีเจ้าของเลยขอบเขตหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ผลสุดท้ายก็จม นี่เราไม่ได้บวชมาเพื่อจงไม่ได้บวชมาเพื่อสังหารตนเองแต่วบวชมาบวชมาเพื่อบำรุงตนเองให้มีความเจริญงอกงามตามหลักธรรมของพระเจ้าจงดำเนินตามหลักธรรมของเจ้าให้เต็มเม็ดเต็มเหมยเต็มทัศน์ที่กำลังความสามารถขาดดิ้นที่ไหนแล้วเป็นอันว่ายุดกันที่ไ่นไม่ต้องเสียดายดวงความเป็นความตายเป็นของคู่กันในเมื่อเกิดมาแล้วต้องตาย แต่ขอให้ตายในสนามรบคือความเพียรตามหลักธรรมของพระรูเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้กระหารและชื่อว่าเป็นศากยาบุตรของเจ้าโดยแท้ผกขอยุดิธรรมเทศนาเก่งตรงนี้